หลักธรรมเกี่ยวกับอาชีวะข้อคอการใช้จ่ายทรัพย์ครั้งหนึ่งในอธิยสูตรอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตพระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงเหตุผลในการที่จะมีทรัพย์หรือประโยชน์ที่กวนถือเอาจากทรัพย์สมบัติแก่อนาถบินทิกะครหัหบดี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 หากยังไม่ได้ให้ปัน่นก็จะไม่ดื่มแม้แต่น้ำ